สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิยวพิบาลนะครับในเช้าวันจันทร์นี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สองร้อยสามสิบเจ็ดคำอธิษฐานของพระเยซูตอนที่สิบสองคำวิงวอนที่หนึ่งครับโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าข้าแต่เบิดาแห่งข้าพงทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะพี่น้องครับคําวิงวอนที่หนึ่งก็คือขอให้พระนามของพระองค์ เป็นที่เคารพสักการะเมื่อวานนี้เราได้เห็นถึงพระนามนะครับในพระบรมีเดิมนะครับผมขออนุ ญ, ญาตทบทวนครั้งนะครับเยาวายิเรพระเจ้าทรงจัดเตรียมเยวานิศสีพระเจ้าทรงเป็นทงของเราเยาวาราฟ้าพระเจ้าผู้ทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐเยาวาชาโรมพรงพระเจ้าผู้ทรงเป็นสันติสุขเยหวาราา พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแก่เยโฮวาชิดเคนูพระเจ้าทรงเป็นความชอบธรรมเยโฮวาซมบาอดพระเจ้าแห่งควาสวรรค์เยโฮวาชามาพระเจ้าทรงสถิตอยู่ใกล้เยโฮวามาโกเดชคิมพระเจ้าทรงชำระท่านให้บริสุทธิ์ในท่านอภินเดิมนะครับมีชื่อเรียกพระเจ้าตามนามเหล่านั้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์นะครับ ความสมบูรณ์แบบของพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงเป็นอย่าลืมนะครับพระนามเยโฮวานั้นมีความหมายว่าเราเป็นซึ่งเราเป็นมีความหมายโดยความขยายความนะครับว่าเราเป็นอย่างไรในอดีตเราเคยเป็นอย่างไรในอดีตเราเป็นอยู่ณเวลานี้และเราจะเป็นในอนาคตเหมือนกันครับพระเจ้าของเราซึ่งพระนามว่าพระเยโฮวานั้นเป็นพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงอดีต ปัจจุบันและอนาคตตลอดไปเป็นนิพน้องครับพระนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระองค์ได้ทรงตั้งขึ้นในประวัติศาสตร์ก็คือพระนามของอ ง, งค์พระเยซูคริสต์ซึ่งหมายถึงพระผู้ช่วยรอดเป็นจอมเจ้านายเป็นจอมกระสั์คำว่าเยซูปแปลว่าผู้ช่วยให้รอดคริสแปลว่ากระส์หรือผู้ที่ถูกเจิมนะครับในสภาพของอ ง, งค์พระเยซูคริสต์นั้น พระเจ้ายังทรงเรียกพระองค์เองในหลายขนามครับอาทิเช่นอาหารแห่งชีวิตพระเยซูตรัสว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตเราเป็นน้ําทํารงชีวิตเราเป็นทางนั้นเราเป็นความจริงเราเป็นชีวิตเราเป็นผู้ทรงเป็นขึ้นจากความตายเราเป็นผู้เลี้ยงแก่ที่ดีเราเป็นถาวรูนเราเป็นดาวประจำรุ่งอันสดใส เราเป็นพระไมสะปะดกของพระเจ้าเราเป็นกุลาบแห่งชาโรนเป็นพลับพึงแห่งกูผาเราเป็นประตูอีกเยอะแยะมากมายนะครับในอิสยาบทที่เจ้านั้นยังทรงยังได้เรียกขณามของพระเยซูคริสต์ว่าที่ปรึกษาพระศจย์พระเจ้าผู้ทรงหิทธิฤทธิ์พระวิดานิรันองค์สันติราชนะครับในรูบทที่หนึ่งข้อที่ห้า พวกเขาออกไปประกาศแก่ชนชาติต่างๆให้เขาเชื่อฟังเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ในสารย้อนข้อเจ็ดบอกว่าเพราะพระนามของพระองค์เขาเหล่านั้นได้จาริกไปพี่น้องครับการเคารพสักการะขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะการเคารพสักการะมีความหมายนะครับเมื่อพูดถึงคํานี้ทําให้เรานึกถึงนะครับในท้องพระองค์ หรือห้องโถงในพระวิหารผนังที่มีไม้เลื้อยปกคลุมอยู่มีเชือพิธีมีบทเพลงนะครับมีความอลังการของโบสถ์มีดนตรีมีพิธีรีอตองใช้จริงแล้วนะครับคำว่าเคารบศักการะเป็นคำเก่าแก่ครับเป็นคำโบราณที่ใช้สืบท อ, อดต่อกันมานะครับมีความหมายอย่างนี้ครับมีความหมายในภาษากรีกว่าคายาโซ นะครับหมายถึงความบริรสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เมื่อหลายวันก่อนนะครับผมได้พูดคำนี้ไปแล้วน้องครับเราจะมาดูในภาพที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นว่าความบริสุทธิ์นั้นมีแนวคิดพื้นฐานอยู่สองประการครับแนวคิดประการแรกหมายถึงการทำให้สิ่งที่ธรรมดากลายเป็นสิ่งพิเศษขึ้นมาโดยการนำสิ่งที่ธรรมดานั้นไปสัมพันธ์สัมผัสอยู่กับบางสิ่งที่พิเศษ นะครับหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งก็สิบหกบอกว่าท่านหลายจงเป็นคนที่บริสุทธิ์มีความหมายว่าเราเป็นคนเดิมครับที่ไม่บริสุทธิ์แต่แล้วถูกทําให้บริสุทธิ์เราสามารถทําให้บริสุทธิ์ได้โดยการเข้าไปมีชีวิตสัมผัสสัมพันธ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์ของที่เป็นมวลทินนะครับสามารถทําให้บริสุทธิ์ได้โดยไปแตะของที่ไม่เป็นมวลทินของบริสุทธิ์นี่ความหมายประการแรกของคําว่า เป็นที่เคารพสักการะแท้จริงแล้วเราไม่ได้ทำให้พระเจ้าบริสุทธิ์ครับแต่พระเจ้าต่างหากเป็นคนที่ทำให้เราบริสุทธิ์ความหมายประการนี้ก็คือว่าเป็นการยอมรับนับถือบางสิ่งบางอย่างครับว่าเป็นผู้ที่สมควรแก่การเคารพสักการะการนับถือบางสิ่งบางอย่างหรือมีความเชื่อความศรัทธาในบางสิ่งบางอย่างนะครับ ว่าเป็นคนที่แยกไว้ต่างหากและบริสุทธิ์นี่คือพระเจ้าของเราครับพระเจ้าของเรานั้นเป็นผู้ที่จะต้องถูกยกขึ้นสูงครับถูกแยกไว้เพื่อเป็นที่เคารพสักการะนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นคนบริสุทธิ์นั้นมีความหมายว่าการเป็นผู้ที่แตกต่างจากคนอื่นครับพระเจ้าของเราเป็นผู้ที่บริสุทธิ์พระเจ้าต่างกับสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง เพราะเนื่องจากว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกสร้างเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงเป็นความสมบูรณ์แบบของความบริสุทธิ์พี่น้องครับพระเจ้าถูกเรียกหรือพระเจ้าเรียกพ่านนำของพระองค์ว่าองค์บริสุทธิ์แสดงว่าพระองค์มีคุณสมบัติลักษณะที่แตกต่างไปจากเราปุโรหิตเช่นเดียวกันครับจะต้องเป็นผู้ที่บริสุทธิ์หลายหลาคนที่เป็นผู้รับใช้นะครับรวมทั้งผมด้วยก็จะต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ จะต้องเป็นผู้ที่ถูกแยกออกเป็นผู้ที่แตกต่างจากคนอื่นครับความบริสุดนั้นเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเราเราเคยคงจำได้นะครับว่าเพลงเป้าหมายสูงสุดในชีวิตฉันคือรักพระองค์นะครับคือรักพระองค์เป้าหมายสูงสุดคือการรับใช้พระองค์แต่จะต้องไม่ลืมเป้าหมายสูงสุดอีกประการหนึ่งครับก็คือขอให้เราเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ครับขอให้เราแยกจากคนบาปทั้งหลายเพราะเรา ไม่ได้เป็นของโลกนี้เหมือนกับที่พระเจ้าไม่ได้เป็นของโลกนี้พระเยซูไม่ได้เป็นของโลกนี้เราจะต้องเป็นคนที่ปราิจากรรมนิครับเหมือนกับพระเจ้าที่ปราิจากรรมนิเราจต้องสนทนาระชรานกับพระองค์ด้วยความเคารพสักการะและเห็นถึงความบริสุทธิ์ของพระองค์ถองครับคําว่าการเคารพสักการะพระนามของพระเจ้าหมายถึงการเคารพนับถือพระองค์ผู้ไม่มีใครเทียบเทียมผู้ไม่มีใครเหมือน ไม่อาจจะมีผู้ใดเทียบเทียบกับพระองค์ได้เพื่อเราจะได้มั่นใจในสิ่งที่พระงทรงเป็นเพื่อเราจะได้มั่นใจในสิ่งที่พรงทรงตัดเพื่อเราจะได้มั่นใจในสิ่งที่พรงทรงกระทําในชีวิตของเราและทุกๆการกระทําของพระองค์นั้นล้วนแล้วแต่มาจากความสัพพัญญูของพระเจ้ามาจากสิ่งดีๆพระเจ้าได้จัดเตรียมไว้มาจากน้ำมนไทยที่เลิศประเสริฐที่มีต่อชีวิตของพวกเราทั้งหลายแต่ละคนครับพี่น้องครับ ทุกวันนี้นะครับการกระทําของคริสเตียนบางคนในสมัยนี้ไม่สนใจที่จะทําตามคําสอนของพระคัมภีร์นะครับไม่ได้สัมผัสถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้านะครับการน้ำส ก, การพระเจ้าเป็นเพียงแต่การแสดงออกซึ่งภายนอกแต่ไม่ได้เกิดจากการกลับใจไม่ได้รับไม่ได้ถูนขอการชงชําระให้บริสุทธิ์จากพระเจ้านะครับอันนี้จะเป็นเหตุที่ทําให้เรานะครับเข้ามาหาพระเจ้าอย่างไม่สมควรครับ ชาอูนนะครับไม่ได้ยอมจำนนต่อความบริสุทธิ์ของพระเจ้าดุ้ดึงเอาแต่ใจตัวเองไม่พยายามที่จะทำตามพระบัญญัติทั้งปวงของพระเจ้า <c oughs> พระเจ้าจึงทรงถอดชาอูนจากบันลังครับนี่คือตัวอย่างครับโมเสสเช่นเดียวกันครับโมเสสกับอาโรนตีก้อนหินนะครับด้วยความโกรธแทนที่จะพูดตามที่พระเจ้าบั ญ, บญชาวไวแ้แสดงว่าเขาไม่ถวายเกียรติเขาไม่ถวายความเคารพจงรักทักดี เขาไม่ได้ยกย่องพระนามของทรงโมเสสกับอาโรนจรึงไม่ได้เข้าในแผ่นดินขณะอันสองตัวอย่างนั้นนะครับตาอูนโมเสสครับคนที่สามครับอุตซาครับอุตซาอย่างจำอุตซาได้ไหมครับในกันดังวิถีบทที่สี่อุตซานั้นไม่หนักถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าบังอาจขัดขืนพระดํารัสสั่งของพระเจ้าพระเจ้าประหารอุตซาเสียเพราะเขาขาดความเคารพในพระธรรมสองสมอเอลบทที่หก กษัตริย์ครับอุตสยามีพระไทยขยองทําสิ่งที่เสื่อมเสียไม่เคารพยังเรงพระเจ้าดูหมิ่นความบริสุทธิ์ของพระองค์เขาดูหมิ่นโดยการเข้าไปเผาเครื่องหอมในพระวิหารนะครับพระเจ้าตรีสอนอุตสยากษัตริย์อุตสยาได้โรคเรื้อนจนกระทั่งพระองค์เสื่นชนครับบันทึกอยู่ในสองโภดะสองสองพงสวดารบทที่ยี่หกดูในเพิ่งพีใหม่บ้างนะครับอุตชีอ่านอกจากอุตสยาอุตซา ซาอูลโมเสสเห็นไหมครับในพมพีใหม่ก็ยังมีอนานาเนกาเชฟิราพี่น้องคงจะจำอนานาเนกาเชฟิราได้ในกิจการเบทที่ห้านะครับอนานาเนกาเชฟิรามุษาต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาไม่เคารพยัมเกรเขาไม่ได้ให้เกียรติพระนามของพระเจ้าเขามุษาต่อพ้อวิญญาณบริสุทธิ์เหตุนั้นเขาจึงเสียชีวิตในวันเดียวเพราะทําความผิดบาปต่อความบริสุทธิ์ของพระเจ้า ตัวอย่างหนึ่งครับชาวเมืองโครินพวกเขารับประทานขนมปังและดื่มจากถ้วยขององค์พระบุญเจ้าอย่างไม่สมควรด้วยเหตุนี้หลายคนจึงป่วยไข้และบางคนก็ตายพี่น้องครับพระเจ้าไม่ได้ลงโทษคนเหล่านั้นที่ไม่เคารพนับถือความบริสุทธิ์ของพระองค์ด้วยการลงโทษฝ่ายกายอย่างฉับพลันทุกครั้งไปแต่แน่นอนครับการขาดความเคารพยําเกรย์ พระนามของพระองค์ไม่ได้เป็นที่เคารพศักดาระนั้นย่อมส่งผลกระทบเกิดขึ้นแน่นอนนะครับผมอยากจะให้ตัวอย่างและผลกระทบทั้งหมดนี้มีเจ็ดประการครับก่อนที่เราจะจบในเช้าวันนี้ผลกระทบแรกครับก็คือศัตรูมีโอกาสดูหมินพระนามของพระเจ้านี่นี่คือสิ่งที่นาธานบอกดาวิดนะครับ พี่น้องลองเปิดดูนะครับ2 2สมุเอลบทที่12ข้อ14ผลกระทบประการที่สองครับเพราะจนะของพระเจ้าถูกลบลูทิทัสบทที่2ข้อที่5ผลกระทบประการที่สามครับความบาป ท, ทำให้เราขาดคุณสมบัติในการที่จะรับใช้อีกต่อไปดือย่างกรณีของกาอูนนะครับผลกระทบประการที่สี่ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี สามารถจะถูกถอดถอนเรียกคืนไปได้ปิตาการบทที่ห้าข้อที่ห้านะครับผลปกบผลกระทบประการที่ห้าครับถ้าพรฝ่ายวิญญาณสามารถถูกยับยังย้งไปจากเราได้กันดานวิถีบทที่ยี่สิบข้อสิบสองครับพี่น้องพี่น้องต้องจดไว้นะครับและประการที่หกครับข้อพิโรธของพระเจ้าพุ่งขึ้นปรากฏในพระธรรมอิสยาห์บทที่ห้าข้อยี่ห้าครับและประการสุดท้ายครับ ขออินยาณของพระเจ้าเสียพระไถ่ในอิสยาบทที่หกสิบสามข้อที่สิบพี่น้องครับนี่คือเจ็ดประการที่เป็นผลกระทบถ้าเราไม่เคารพยำเกรในขนามของพระเจ้าผมอยากจะบอกกับพี่น้องครับว่าหลายครั้งทีเดียวเรามองข้ามเรื่องนี้ไปครับเรื่องของความบริสุทธิ์เรื่องของความศักดิ์สิทธิ์เมื่อเข้ามาเฝ้าพระเจ้าเมื่อวานนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับ ร้อหลายเข้ามาข้าพเจ้าเราเห็นหนิงความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์หรือเปล่าครับผู้เขียนสดุดีนะครับตั้งคําถามไว้บอกว่าผู้ใดจะอยู่บนภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าได้คําตอบง่ายๆก็คือผู้ที่ดําเนินชีวิตอย่างหาที่ติไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามความชอบธรรมและพูดความจริงจากจิตใจของตัวเองปรากฏอยู่ในสดุดีบทที่15ข้อที่หนึ่งและข้อที่สองข้าพเจ้าอเยพรที่ร้องทุกท่านนะครับ ไม่มีเรื่องใดที่สำคัญยิ่งกว่าเรื่องของพระเจ้าเพราะฉะนั้นคลินจักรจะสำคัญเมื่อจักรมีความเคารพยำเกรงพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์บริสุทธิ์และบริสุทธิ์อาเมน